หน้าตาคุค้นๆนะแต่ละคนหลวงพ่อคงไม่ต้องสอนเยอะเรียนมามากแล้วก็ต้องเอาไปทําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นเป็นของของคนจริงคนจริงก็ได้ของจริงนะคนขี้เกียจขี้ร้านอ่อนแอท้อถอยมันก็แย่อยู่อย่างนั้ น, นปีปีขีดชาติมันก็ได้แค่นั้ น, นถ้าเราจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ตั้งใจให้เด็ดเดี่ยว ถ้าอยากข้ามภพค้ามชาติให้ได้ก็ต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยกล้าสละความเห็นแค่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะคืนกายคืนใจให้โลกได้ก็พ้นทุกได้แต่การจะปฏิบัติจนถึงขั้นคืนใจกายคืนใจให้โลกมันยากเป็นฆราวาสนะเอาให้ได้แค่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีแค่นี้ก็พอโถมเถรไปลนะปิดอภัยได้ลนะขั้นที่จะเห็น ว่าตัวเราไม่มีไม่ไม่ยากเกินไปหรอกว่าจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วมันมีขึ้นมาด้วยความคิดของเราเท่านั้นเองนะพยายามรู้สึกตัวขึ้นมานะขั้นแรกรู้สึกตัวให้ได้ในขณะที่เรารู้สึกตัวเนี้ยใจเราก็ไม่หลงไม่ไหลออกไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายไม่หลงไปคิดนึกทางใจพยารู้สึกตัวขึ้นมาถ้าใจเราหลงไปทางตานะมันก็ไปดูรูปข้างนอก หลงไปทางหูมันก็ไปฟังเสียงเสียงก็เป็นรูปภายนอกหลงไปทางจมูกก็ไปดมกลิ่นกลิ่นก็ของข้างนอกหลงไปทางกายก็ไปหลงกับสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายก็ของข้างนอกอีกหลงไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจอันนี้ก็คล้ายๆเพ้อเพ อ, เพ อ, เพอฝันๆันไปไม่ใช่ของจริงหรอกการที่จิตเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจิตมันไม่ทวนเข้ามารู้กายรู้ใจของตัวเอง แทนที่มันจะรู้ตานะมันก็ไปรู้รูปข้างนอกแทนที่มันจะไปรู้หูของตัวเองไปรู้เสียงข้างนอกแทนที่มันจะไปรู้ถึงจมูกของตัวเองมันไปรู้กลิ่นข้างนอกเนื้อใจมันจะออกนอกตลอดมันไม่สามารถรู้กายรู้ใจของตัวเองได้ธรรมชาติของจิตมันออกนอกตลอดหลวงปู่ดุลย์ถึงสอนบอกว่าธรรมชาติของจิตนะย่อมส่งออกนอก จิตข่งเราออกนอกมาตลอดเวลาเลยไม่สามารถย้อนมาดูตัวเองได้เมื่อไม่สามารถย้อนมาดูตัวเองได้ก็ไม่สามารถเห็นความจริงได้ว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราดงนั้นเราต้องมาฝึกก่อนให้จิตไม่ออกนอกให้จิตตั้งมั่นจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิต ท, ที่มีสมาธินะนี่สมาธิมันมีสองชนิดสมาธิอย่างแรกเนี่ยเป็นสาธารณะเลยใครๆก็มีาศาสนาไหนก็มี คือการน้อมจิตให้ไปอยู่นิ่งๆกับอารมณ์อันเดียวเช่นไปอยู่กับพุทโธไม่ยอมไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธจิตก็สงบไปอยู่กับลมหายใจนะไม่หนีไปไหนเลยอยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียวจิตก็สงบไปดูท้องพองยุบนะจิตไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นจิตก็สงบสมาธิที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเป็นสมาธิทั่วๆไปศาสนาอื่นก็มี ผู้ร้ายจะยิงคนให้ตายก็มีสมาธินะคนจะนั่งเขียนซอฟต์แวร์นี่ออกนอกทั้งหมดเลยคิดเอาทั้งหมดเลยก็มีสมาธิแล้วสมาธิชนิดที่จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่เขาเรียกเป็นสาธารณะที่ไหนก็มีนี่สมาธิที่สุดแสนจะอาภัพนะก็คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นถ้าเราไปดูพจานานุกรมเราจะเห็นว่าเขาแปลสมาธิว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่ใช้แปลว่าสงบ พวกเราชอบมัวสั่วแปลสมาธิว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นความตั้งมั่นของอะไรของจิตนี่สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่สำคัญมากนะในศาสนาอื่นไม่มีสมาธิที่จิตสงบอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยเอาไว้ทำงานทางโลกลเอาไว้ทาสมถะกรรมฐานส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันจะอยู่ในที่สามที่ อันแรกเลยมันอยู่ในขณะที่ทํำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดนี้จิตไม่ทํำวิปัสสนาจิตจะไปเพ่งอารมณ์นิ่งๆไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันมีชื่อเฉพาะนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยจะเกิดในขณะแห่งการทํำวิปัสสนาแล้วเกิดในขณะที่เกิดอริยมรรคเกิดในขณะที่เกิดอริยผลและถ้าเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเวลาเข้าสมาบัต เข้าผลสมบัติเรียกพระสมบัติก็จะเกิดสมาธิชนิดนี้เหมือนกันนี่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิของสูงนะไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปหรอกนี่อาภัพที่สุดเลยไม่มีคนรู้จักนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ก็มีแต่ว่าภาษาที่ชั้นใช้เนี่ยเราเข้าใจยากนิดหนึ่งอย่างหลวงปู่โดนบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดนะจิตทวนเข้ามาเขาบอกอย่าออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ย ย่าส่งจิตออกมานอกก็คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราจิตตั้งมั่นไม่ไหลออกนอกมันตั้งมั่นขึ้นมาจิตอย่างนี้แหละเอาไว้เดินปัญญาหรือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็สอนสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในโรมันเดียวท่านเรียกว่าฌานนะตรงนี้ตรงกับคําว่าอารามันูปนิชานการเพ่งให้จิตไปนิ่งอยู่ในโรมันเดียวได้สมถะกรรมฐานสมาธิอีกชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิ ถ้าชื่อถูกถูกมันคือลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เราจะต้องมาฝึกให้ได้นะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าจิตของเราไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้เฉะั้นตัวนี้ตัวแตกหักเลยถ้าเรายังไม่สามารถฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้ชาตินี้ยังไม่มีโอกาสได้มากผลออกนะยังอีกห่างไกลแสนไกลเลยมีแต่ความสงบจะไปทําอะไรได้ไม่เกิดปัญญานะสงบนิ่งนิ่งไม่เกิดปัญญา อาจา์มหาบัวเคยไปออกโทรทัศน์นะรายการถวายไลฟ์โชว์อะไรนี่นิมนต์ท่านไปแล้วไตรภพไปถามท่านบอกหลวงตาครับถ้าผมทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมท่านหันมาถามฮะอะไรนะทำอะไรนะเราทำสมาธิมากๆจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องทำสมาธิที่น้อมเข้าหาความสงบไม่มีปัญญา มันเป็นที่พักผ่อนเฉยๆเมื่อเราต้องมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นทำยังไงจิตถึงจะตั้งมั่นถ้าเมื่อไรเรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองความจริงวิธีฝึกมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำชาญ น, นะตั้งหน้าตาพวกเราดูแล้วทาไม่ได้หรอกทาชานนะเช่นเรารู้ลมหายใจ เรารู้นะรู้สบายสบายเคล็ดลับของการทําฌานต้องสบายหายใจไปอย่างมีความสุขหายใจอย่างมีความสุขจิตจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราชํานาญนะถ้าเราไม่ชํานาญหายใจไปสักพักหนึ่งลมจะค่อยๆสั้นสั้นๆในสุดลมหายใจหยุดมันจะมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตรงเนี้ยพอลมหายใจหยุดเนี้ยมันจะแปลสภาพเป็นแสงสว่าง ลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิตพอมันแปลสภาพเป็นแสงสว่างเขาเรียกอุคะหานิมิตแล้วมาเล่นอยู่ตรงนี้นะมันให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้เล็กลงมาเท่าหัวเข็มหมุดก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นนะชั่นนี้ชั่นานการที่จิตมันจับอยู่ที่แสงสว่างจิตเขาเคลียร์อยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตกมีวิจารณ์จิตมันจะเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาแล้วจิตเป็นหนึ่งอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปไหนเลยนี่แหละเรียกว่าปฐมฌาน ถ้าจิตได้ปฐมฌานแล้วนะให้มีสติอีกรู้ทันว่าตอนเนี้จิตไปจับอยู่ที่แสงสว่างทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างนะการเคลื่อนนี่จะขาดลงมิตกวิจารจะดับเมื่อมิตกวิจารดับเนี่ยจิตจะทวนกระแสเข้ามาเข้าถึงความรู้สึกตัวที่แท้จริงเข้าถึงความตั้งมั่นเมื่อในพระไตรปิฎกเนี่ยจะพูดถึงคําว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะคือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเกิดในทูติยฌานในฌานที่สอง เมื่อค่ำวิตกวิจารณได้แล้วไม่ตรึกไม่ตรองในแสงสว่างแล้วจิตจะทวนเข้ามาเข้ามาถึงตัวจิตจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้นี่คือวิธีที่หนึ่งนะซึ่งพวกเรายุคนี้ทํายากมากเลยแค่จะทําให้จิตสว่างเนยังทายากเลยตอนนี้ใครหายใจแล้วจิตสว่างบ้างมีไหมลองหายใจดูหลับตาที่หายใจมีแต่จิตฟุง้งจิตหนีอุตรุษแล้วก็จิตซึมพวกเนี้ยจิตซึมะ เ ร, รเรารู้สึกเรารู้สึกในเมื่อวิธีแรกทายากนะมันมีวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านั้นมันเหมาะสําหรับคนในเมืองอย่างพวกเราพวกคิดมากทําฌานไม่เป็นวิธีนะั้นง่ายๆนะให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตที่หนีไปคิดคือจิตส่งออกนอกนะั่นเองมันส่งไปด้วยกําลังของโมหะความฟุง้งซ่านถ้าเมื่อไร่เรารู้ทันว่าจิตออกนอกนะโมหะจะดับทันทีเลย สติเกิดเมื่อไหร่นะอาคุสดับเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติเกิดเมื่อไหร่อาคศลดับเมื่อนั้นอาคุศลเกิดเมื่อไหร่สติดับเมื่อนั้นจิตที่ส่งออกนอกเนี่ยเป็นจิตที่มีโมหะคือความฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจ์ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยควานออกนอกจะขาดสะบั้นทันทีเลยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมา เพรนหลงปู่โดนถึงบอกว่าคิดเท่าไร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ตรงที่คิดเนี่ยนะใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้แต่ว่าพอทันทีที่เรารู้ว่าจิตมันเคลื่อนออกไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมนาะตรงนี้แหละเราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ร่างกายจิตใจของเรามีมาแต่เด็กแต่เราลืมมันเราไม่สนใจมันเราถูกสอนให้ออกนอกตลอดอย่างตอนเด็กเด็กเกิดใหม่เวลาเราไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่ชอบไปเอามือไปแย่มใช่ไหม ให้มันดูเนี่ยเรากำลังสอนให้เด็กส่งจิตออกนอกกรรมอันนี้จะทําให้เราภาวนาออกนอกแหลกรานเลยนะพยายามไปยั่วยุให้คนอื่นเขาส่งจิตออกนอกแล้วคนโบราณนะเอาปลาตะเพียนมาห้อยใช่ไหมให้เด็กดูปลาตะเพียนก็ฝึกให้จิตออกนอกจิตเนี้ยถูกฝึกให้ออกนอกตลอดเวลาไม่เคยถูกฝึกให้รู้สึกตัวเลยแล้วเรากว่าจะมารู้สึกตัวได้นะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้ารู้สึกตัวได้แล้วนะการปฏิบัติส่วนที่เหลือเนี่ยจะง่ายแล้วคล้ายๆราบรื่นละงั้นเราต้องมาฝึกก่อนนะวิธีฝึกเนี่ยให้รู้ทันเบื้องต้นทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะจะดูท้องพองยุกก็ได้แต่ไม่ใช่พุโทโธเพื่อให้จิตสงบไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ไปดูท้องพองยุกเพื่อให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องเราพุโทโธแล้วรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งพุโทโธรู้ทัน หายใจไปนะจิตห น, นีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบจิตห น, นีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันการที่เรารู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนไปเพ่งนะเคลื่อนไปคิดที่หลาาวงพ่อว่าเผลอไปเคลื่อนไปเพ่งก็ไปเพ่งเอาไว้เผลอกับเพ่งนั่นแหละสิ่งที่จิตชอบทํานะจิตไม่ยอมรู้สึกตัวงั้นเรามาคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป นะจิตเผลอไปก็รู้เผลอไปคิดจะรู้นะจิตไปเพ่งอยู่ก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเมื่อไหร่นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแต่ตั้งได้ชั่วขณะเท่านั้นไม่เหมือนสมาธิของพวกที่ทำฌานนะจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ทีหนึ่งหลายวันแต่ไม่เกินเจ็ดวันก็เสื่อมต้องทําอีกเมื่อเรามาฝึกเรื่อยๆทุกวันทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาพุโทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคย แล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทําให้จิตนิ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาหลวงพ่อเตียนถึงบอกว่าถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทา ง, งการปฏิบัติก็คือได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานขึ้นมาเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนไหนจิตรู้สึกตัวขึ้นมาได้หลวงพ่อบอกตื่นแล้วจิตตื่นแล้วไปลือกันว่าหลวงพ่อรับรองว่าได้โสดายังไม่ขึ้นวิปัสสนาเป็นโสดาเลยนะ ไม่ได้เรื่องเลยนี่พาจิตตื่นแล้วเนี่ยถัดจากนั้นนะถึงขั้นของการเจริญปัญญาขั้นที่ฝึกให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรียกว่าจิตตะิกขาจิตตะศิกขาการเรียนรู้เรื่องจิตจะทําให้จิตตั้งมั่นได้สมาธิที่ถูกต้องนะเรามีศีลสิกขานะตั้งใจรักษาศีลไว้มีจิตตะศิกขาเรียนรู้เรื่องจิตที่มันเคลื่อนไปมันจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสมาธิ หลัจากนั้นถือจะถึงขั้นของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอาอย่าไปคิดว่าการเจริญปัญญาคือการคิดนะการคิดไม่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเป็นคําว่าวิกปัสณะปัสณะคือการเห็นวิก็แปลว่าแจ้งวิปัสณะก็คือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องว่ากายนี้ใจนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แต่ถ้าการไปคิดพิจารณานะกระทั่งคิดพิจารณากายการคิดเรียกว่าวิตกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําวิตกแต่ท่านสอนให้ทําวิปัสนาการคิดนั้นเราจะคิดเข้าข้างกิเลสเสมอเพราะใจของเรามีกิเลสเวลาคิดเืก็คิดเข้าข้างตัวเองเสมอแหละโดยธรรมชาติเลยนะเพราะงั้นจะต้องหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าคิดเอามันจะรู้สึกว่านเนี่ยคือตัวเราทุกทีเลย หรือจะไปคิดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะมันก็แค่หลอกตัวเองมันไม่เห็นหรอกว่าจริงๆไม่ใช่เรานะเพราะนั้นต้องมาฝึกนะพอใจตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาอาจารย์มหาบัวเคยสอนนะบอกว่าถ้าไม่สามารถแยกธาตุแยกขันได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญางนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาอยู่ที่การแยกธาตุแยกขันให้ได้ในทางปริยัต การแยกธาตุแยกขันเนี่ยทางปริยักษเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณใครเคยอ่านเรื่องโสรถญาณไหมโสรถญาณนี่คือปัญญา16ขั้นขั้นที่หนึ่งชื่อนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามออกจากกันให้ได้นะก็ที่หลวงพ่อเรียกว่าแยกธาตุแยกขันนั่นแหละหรือครูบาอาจารย์เรียกว่าแยกธาตุแยกขันนั่นแหละวิธีฝึกนะเข้าใจเราเป็นคนดูแล้วเรานั่งอยู่อย่างนี้คอยรู้สึก ฟังหลวงพ่อไปเราพยักหน้าก็รู้สึกเราจะเห็นเลยไอ้ตัวนี้มันพยักหน้านะใจเราเป็นคนดูตอนนี้นั่งอยู่ท่าไหนรู้สึกไหมเรารู้สึกดิเห็นไหมนั่งแล้วพยักหน้าด้วยเห็นไหมตอนถามว่านั่งอยู่ท่าไหนรู้สึกไหมรู้สึกไม่กำลังหลงอยู่พยักหน้าเราไม่เห็นนะอย่ามาหลอกกันนะใจมันหลงนะงั้นเนี่ยพยักหน้าเห็นไหมแต่มันลืมดูมันไม่ไม่รู้ตัว ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูนะเราจะเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งกายกับจิตเนี้เป็นคนละอันกันการที่เห็นกายกับจิตเป็นคนละอนนั่นแหละเรียกนามรูปปริเฉทญางปริเฉทแยกออกจากกันนะนามกับรูปแยกออกจากกันทําไมต้องแยกถ้ารูปกับนามมารวมกันนะกายกับใจไหลไปรวมกันมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมถ้ากายกับใจไปรวมกันนะมันจะเป็นกูขึ้นมาะจากตัวกูเกิดขึ้นนะ แต่ถ้ากายกับใจมันแยกออกนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราตัวกูไม่มีหรอกนะงั้นต้องมาหัดแยกนะร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความสุข ค, ความทุกข์ทางกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์ทางใจมันก็ไม่ใช่กายมันก็ไม่ใช่ใจนะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะความจําได้หมายรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่จิตใจความปรุงดีความปรุงชั่วที่เรียกว่าสังขารขัน ปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงถ้าใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเราจะเห็นเลยว่าความโกรธความหลงอะไรนี่นะไม่ใช่จิตใจของเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตกุศลอกุศลโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยนะสุดท้ายมันจะเห็นเลยทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเราหรอก อย่างเราไปเห็นกล่องที่ชู่เนี่ยใครเห็นว่ากล่องที่ชู่เป็นตัวเราก็บ้าแล้วใช่ไหมถ้าแทนที่จะเป็นกล่องที่ชู่ก็เป็นร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ย <ơi> ถ้าใจเราตั้งมัน่นจริงเราจะรู้สึกเหมือนเราเห็นกล่องที่ชู่เท่านั้นเองมันเป็นของถูกรู้ ถ, รถูกดูเท่านั้นเั้นตรงนี้เป็นตัวแตกหักเลยนะว่าเราจะภาวนาได้ไหมอันแรกจิตต้องตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วต้องแยกรูปแยกนามให้ได้นะเนื่อร่างากายพยักหน้าใจเป็นคนดูนะแต่ไม่ใช่ดูแบบเคร่งเครียดอย่างนี้ไม่ได้นะ ก็เป็นธรรมดามากเลยธรรมชาติมากเลยไปฝึกนะแยกกายกับใจต่อไปแยกความรู้สึกกับจิตใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับจิตใจเป็นโคนล่้านกันกุศลอกุศลกับจิตใจเป็นโคนล่้านกันต่อไปแยกขั้นที่สามลึกซึ้งขึ้นอีกแยกจิตกับจิตจิตนั้นไม่ได้มีดวงเดียวแต่จิตนี้เกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตเดียวก็ไปเกิดที่ตาไปรู้รูปแล้วก็ดับ จิตเดี๋ยวก็ไปเกิดทางหูไปฟังเสียงแล้วก็ดับจิตเดี๋ยวก็ไปคิดนึกทางใจนะเดี๋ยวก็ดับจิตเดี๋ยวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นจิตทางใจเดี๋ยวก็ดับนะผู้รู้เดี๋ยวก็ดับผู้คิดเดี๋ยวก็ดับนะผู้ดีผู้ร้ายผู้สุขผู้ทุกข์เดี๋ยวก็ดับหมดเลยเราคอยดูจิตที่ไปที่ตาจิตที่ไปที่หูนะมันเกิดตลอดเวลานะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้จิตมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลานั่งฟังหลวงพ่อพูดดูออกไหม เดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำก็สลับไปคิดดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็ดูจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดมันไม่ใช่ดวงเดียวกันถ้าหัดยังไม่เป็นหัดใหม่ๆนะจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเดี๋ยวก็วิ่งไปดูแล้วก็กลับมาวิ่งไปฟังแล้วกลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็กลับมาบางคนไปดึงกลับมาด้วยวิ่งไปดูรู้ทันก็ดึงกลับมาก็แน่นๆอยู่นะวิ่งไปฟังก็ไปดึงมาก็แน่นวิ่งไปคิดไปดึงกลับมาก็แน่นๆคิดว่าจิตมีดวงเดียว คิดว่าจิตเหมือนแมงมุมวิ่งไปใยนิทีวิ่งไปใย ท, ทางนิทีที่จริงไม่ใช่ถ้าทาเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวนี่เรียกว่าสันตติยังไม่ขาดสันตติคือความสืบเนื่องยังไม่ขาดยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานนะแล้วต้องให้สันตติขาดเราเห็นเลยจิตที่เกิดที่ตาก็ดวงหนึ่งแล้วก็เกิดตรงไหนดับตรงนั้นเลยจิตที่เกิดที่หูก็ดับลงที่หูจิตที่เกิดที่ใจก็ดับลงที่ใจค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนะ อันนี้เป็นการที่ฝึกถึงขั้ละเอียดละแยกอย่างละเอียดแล้วนะทีดแรกแยกกายกับจิตเราอย่างกันก่อนใช่ไหมร่างกายมันนั่งอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูนี่แยกอย่างหยาบที่สุดต่อมาแยกให้ละเอียดขึ้นนะความรู้สึกในใจกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์ปุสนะปุศนกับจิตเนี่ยเป็นคนละานกันต่อไปแยกให้ละเอียดถึงขีดสุดเลยจิตกับจิตก็เป็นคนละานกัน จิตที่เกิดที่ตาก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อันหนึ่งถ้าเห็นได้ถึงจุดนี้นะเราจะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานจะเริ่มเมื่อสันตติคือความสืบเนื่องขาดถ้าสันตติไม่ขาดเราจะรู้สึกว่ามีตัวมีตนถ้าสันตติคือความสืบเนื่องขาดจะพบว่าไม่มีตัวมีตนใครเคยเห็นฟิล์มหนังสมัยโบราณไามใครเกิดทันยุคที่มีฟิล์มหนังมีไหม ดูซีดีใช้ไม่ได้แล้วเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้ในฟิล์มหนังมันเป็นรูปแต่ละรูปใช่ไหมรูปแต่ละรูปเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคนละรูปกันแต่พอมันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วเรารู้สึกว่าตัวละครในหนังม ม, มีตัวเดียวโดเลมอนมีตัวเดียวอีคิวสั่งมีตัวเดียวเดินไปเดินมาได้จิตที่เกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วเราไม่มีสติปัญญาเห็นว <c oughs> ่าจริงๆมันทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเดิม จิตก็จิตดวงเดิมแหละร่อนเร่วนเวียนอยู่ในวัดตสงสารก็จิตดวงเดิมแหละแต่อาการที่เห็นว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวดวงเดียวร่อนเร่ไปเรื่อยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัจสตทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาปฏิวัติในสังคมที่พระเจ้าตรัสรู้นนเขาเชื่อว่าจิตเที่ยงจิตเป็นอาตมันจิตเป็นตัวเป็นตนจิตไม่ตายนะจิตไม่เคยตายร่างกายตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่ พระพุทธเจ้ามีปัญญาแหลมคมท่านเห็นสันตติคือความสืบเนื่องของจิตเนี่ยขาดออกจากกัน จ, จิตที่ดูก็ดวงหนึ่ง จ, จิตที่ฟังก็ดวงหนึ่ง จ, จิตที่คิดก็ดวงหนึ่ง จ, จิตที่สุขก็ดวงหนึ่ง จ, จิตที่ทุกข์ก็ดวงหนึ่ง จ, จิตที่ดีก็ดวงหนึ่งจิตรอบก็ดวงหนึ่งจิต ก, กลอยก็ดวงหนึ่งจิตหลงก็ดวงหนึ่งจิตเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันไปยานทัศนะของท่านเนี่ยเข้าไปเห็นสิ่งนี้ท่านถึงทำลายว่าความรู้สึกว่า ม, วมีตัวมีตนได้ จิตไม่ใช่มีตัวมีตนไม่ใช่สิ่งที่เป็นอมตะถาวร น, นะถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นอมตะแล้วก็เราเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัจสตทิฏฐิอันนี้แหละสิ่งที่ต้องทําลายล้างลงไปให้ได้นะหรือบางทีก็คิดว่าจิตเดี๋ยวเนี้มีจริงนะแต่พอตายไปแล้วสูญไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งชื่ออุดเฉททิฏฐิแล้วที่ถูกเป็นสมาร์ิติเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้แต่ว่ามันส่งทอดกัน จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเนียวนําให้เกิดจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ ป, บไปเนียวนําให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่ไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่อมตะนะและไม่ใช่ศูนย์ไปเลยจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมันเหมือนลูกของจิตดวงเดิมลูกกับพ่อแม่คนละคนใช่ไหมแต่ลูกกับพ่อแม่ก็มีความเกี่ยวโยงกันนึกออกไหมถ้าพ่อแม่รวยลูกก็รวยเห็นไหม ว่าแม่เป็นนี้เป็นศีลลูกก็ลําบากเนี่ยจิตดวงก่อนทํากรรมดีไว้มากไอ้จิตดวงใหม่ก็รับมรดกดีไว้มากจิตดวงก่อนทําชั่วไว้มากนีจิตดวงใหม่ที่เป็นลูกมันเนี่ยก็รับมรดกชั่วไว้มากเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ใช่มีดวงเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วศูญไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหนี่ยวนําให้เกิดวัฏฏะที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยานทัศนาท่านเห็นเห็นของจริง ท่านรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เกิดดับสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เรื่อยๆ อ, อ, อ, อะไรผลักดันให้มันเคลื่อนได้อันเนี้ยที่ท่านรู้อย่างแจ่มแจ้งนะแต่ว่าหลวงพ่อไม่พูดถึงยาวไปท่านทำลายอาวิชาเชื้อเกิดที่อยู่ในจิตได้ทำลายเชื้อเกิดที่อยู่ในจิตได้ น, นจิตที่ไม่เกิดต่อก็ดับเกิดแล้วดวงสุดท้ายดับลตงตนั้นก็ดับเลยไม่มีดวงใหม่เกิดขึ้นอีกแล้ว แต่จิตของพวกเราเนี่ยคอยดูให้เดียวมันจะเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ดวงเดียวดูให้ดีนะนั้นเราถ้าเราพอเราเห็นนะจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับร่างกายก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นร่างกายหายใจเข้าเดี๋ยวเป็นร่างกายหายใจออกเดี๋ยวเป็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายก็เกิดดับนะความสุขความทุกข์ก็เกิดดับสุขมาแล้วก็หายทุกข์มาแล้วก็หายกุศลอกุศลก็เกิดดับความโลภมาแล้วก็หายความโกรธมาแล้วก็หายใช่ไหม ความหลงมาแล้วหายจิตก็เกิดดับจิตไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่ใจแล้วดับเห็นเข้าไปเรื่อยนะเวัน7เดือน7ปีดูมันเข้าไปเถอะนะใจวันหนึ่งใจมันจะแจ้งขึ้นมาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้แหละที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมงั้นอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมนะก็ต้องดูความเกิดดับของกายของใจเรื่อยไปนะ ไม่ใช่วิธีอื่นไม่ใช่เป็นนั่งคิดนึกจินตนาการว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาได้แต่คิดไม่เห็นของจริงล้างกิเลสไม่ได้นะต้องเห็นของจริงจะเห็นของจริงได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนคิดไม่ใช่เป็นผู้แสดงแต่เป็นคนดูให้ได้เมื่อเรามาฝึกนะขั้นแรกฝึกให้ใจอยู่กับเน้อกับตัวรับศีลแล้วต้องมีศีลวิธีมีศีลน่ยไม่ต้องมารอพระนะตั้งใจสมาทานศีเนาเองทุกวันเลย ตื่นนอนมาตั้งใจวันนี้เราจะรักษาศีลห้ากลางวันก่อนจะกินข้าวตั้งใจเวลาที่เหลือในวันนี้เราก็จะรักษาศีลห้าก่อนนอนก็ตั้งใจขึ้นนี้เราจะรักษาศีลห้าเนี่ยตั้งใจไปเรื่อยๆนะเวลาจะทำผิดศีลมันจะได้ลาอายแก่ใจไม่กล้าทํานะศีลที่เกิดจากความตั้งใจที่จะงดเว้นเรียกว่าเจตนาวิรัตมีศีลแล้วก็มาฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตหนีไปรู้ทันจิตไหลไปรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันไหลไปเพ่งรู้ทันฝึกไปเรื่อย จกนกระทั่งจิตเคลื่อนคลิกเดียวก็เห็นนะหลวงพ่อเนี่ยฝึกจกนกระทั่งจิตเคลื่อนคลิกหนึ่งก็เห็นตั้งแต่เป็นโยมสมัยเป็นโยมเนี่ยขึ้นไปหาครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมหลวงปู่สิ ม, มไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อนะแต่เวลาเจอหน้าท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะจิตของเราไม่ใช่ผู้คิดนึกปรุงแต่งนะจิตเราเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่มันมีสมาธินั่นเองตั้งมั่นไม่ได้หลงไปไหลไปอยู่ในโลกของความคิดนะเราฝึกนะ แล้วมาเจริญปัญญาให้ดีก็มาดูกายมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานก็จะเห็นว่าไม่ใช่เราสักอันเดียวถ้าเห็นว่าตัวอย่างไม่มีใช่เรานะาได้ดวงตาเห็นทำแนละ้วมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตวนถาวรเลยตัวเราไม่มีหรอกถ้าเห็นได้ก็ได้โสตานะไม่ยากอะไรที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทําทได้หรอกอยู่ที่ทําจริงทําให้ถูกหลักนะแล้วทําให้จริง ถ้าไม่รู้หลักก็ลองผิดลองถูกไม่ถูกหลักไม่ได้เรื่องหรอกเวลาปฏิบัติรมเนี่ยจับหลักให้แม่นต้องแยกให้ออกระหว่างอูบายกับหลักอูบายนันนะ่ะมันหลากหลายตามจริตนิสัยนะตามสถานการณ์พลิกแปลงไปด้วยแต่หลักของการปฏิบัติต้องแม่นนะถ้าเราจะทำสมาธิก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอันนี้ได้สมาธิชนิดสงบ ถ้าต้องการสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็รู้ทันจิตที่ไหลไปนะถ้าต้องการให้เกิดปัญญาก็มีจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาดูกายทํางานดูใจทํางานเนี่ยทําเหตุกับผลมันตรงกันนะก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆอย่าเป็นปรุงแต่งบางคนชอบไปถามคนอื่นนะว่าจะวางจิตไว้ตรงไหนดีนี่เรื่องเหลวไหลที่สุดเลยจะวางจิตไว้ที่ไหนดีหลวงพ่อก็เคยถามหลวงปู่ถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหน นึกว <muitas> ่าท no ่านจะบอกว่าม so right? ันอยู hmm. ่กลางหน้าอกนะเพราะเห็นมันเกิดดับอยู่กลางหน้าอกนี่แหละเดี๋ยวสุดทุกข์ดีชั่วผุดขึ้นจากกลางอกถามหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่ฟันแสดหน้าเลยจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วงงเลยจิตไม่มีที่ตั้งจะมันจะตั้งทําไมจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขนาดนั้นเลยมันตั้งอยู่ได้ที่ไหนนะมันเกิดที่ไหนมันก็ตั้งตรงนั้นแล้วมันก็ดับตรงนั้นเลยมันไม่มีที่ตั้งถาวรหรอกนะ การหัดภาวนานะเดืนวันหนึ่งมันแจ้งขึ้นมาต้องสู้นะอย่าทำมาเร็วๆไหลๆไม่ได้นะเสียชาติเกิดถ้าทำจริงก็ได้ของจริงไม่ยากเกินไปที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะทานะพวกเราเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ชิดมากแต่ละคนคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยแต่ละวันแต่ละวันดูไปเรื่อย ไม่ใช่ไปปรุงแต่งจิตจะเอาจิตไปวางไว้ที่ไหนจะกําหนดไว้ตรงไหนจะเอาไว้ข้างหน้าดีหรือไว้ท้ายทอยดีอะไรเรื่องเหลวไหลทั้งสิ้นเลยนั่นเป็นเรื่องของความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยให้รู้ของจริงเข้าไปนะด้วยจิตที่ตั้งมัน่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่นานนะใช้เวลาไม่นานยื้อแจ้งที่ตัวเราไม่มีนะฝึกไปนะฉนั้นคงไม่มานั่งถามหลวงพ่อนะหนูควรจะเอาจิตไปที่ไหน ถ้าจิตหนูล้ําไปข้างหน้าหนูจะแก้อย่างไงเนี่ยจะแก้แก้ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาว่าเห็นตามความเป็นจริงจิตล้ําหน้ารู้ว่าล้าหน้าเออจิตมันล้าหน้าเนี่ยจิตที่ล้าหน้ากับจิตที่รู้สึกคนละดวงกันนะเนี่ยดูอย่างนี้นะไม่ใช่หาทางแก้จิตไปเรื่อยปรับจิตไปเรื่อยจูนไปเรื่อยนะไม่ใช่เครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกอะไรนะั่นจูนทั้งวันของเหลวไหลทั้งสิ้นดูของจริงเข้าไปสิ ดูของจริงก็ได้ของจริงนะฮะก็เห็นจริงอะไรดูของปลอมมันก็ปลอมแต่เท่าที่ชอบนั่นแหละพอไหวไหมไม่ไหวก็ไม่รู้จะทําไงนะตัวใครตัวมัน <c oughs> หลวงพ่ออุ้มพวกเราไปไม่ได้หรอกขนาดพระพุทธเจ้าบารมีขนาดไหนพระพุทธเจ้ายัางบอกท่านเป็นแค่ผู้บอกทางเท่านั้นหนละก็หลวงพ่อจะเป็นอะไรวิเศษนักหนาบอกทางให้ได้เท่านั้นแหละต้องทําเอาเองนะ พอสมควรแล้วล่ะ ว, วันนี้ไม่ต้องส่งกันบ้านนะนะเอาละพอละสมควรไปกรวดน้ำเียวอาน้ำมากรวดไปเ อ, อไปกรวดน้ำไปน้ำไม่ยากหรอกนะถ้าไม่รู้หลักนะส่วนมากจนะไปติดสมาธิกันหมด นั่งสมาธิเห็นโน้นเห็นนี่อะ่งนระลึกชาติรู้จิตคนอื่นออ่งนออกนอกหมดไม่ดูตัวเองสิ่งเหล่านั้นเป็นของแถมหรอกนะยาถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาครางเอวเมวะอีโตทินนางเปตานางอุปกะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุ สเปปุเรนตูสังคป า, าจันโทปนรโสยถามณีชโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัตชัตตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาธนาศีเลสนิจจังอุทาปจายิโนจตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง ไสลทางใครทางมัน